ก็กรบาบตบไห้ความกรบพระพพริพุกุมพ่อแล้วก็ครูบาอาจารย์ประสงค์ข้าเจริญพรนักโย ม, น, โยมนักปฏิบัติทุกท่นานยกมือส้างอย่ า, าไปปกติแล้วตอนเช้าทุกวันเราจะไปเดินจงกรมสูดอากาศข้างนอกกันแต่วันนี้เป็น เรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษแนะตมาเขาใช้สองรอบเลยนะเมื่อคืนเนี่ยก็าใช้รอบหนึ่งจนดึกเมื่อคืนเนี่ยนะมาหลวงพ่อเทศอีกฉะนั้นวันนี้ช่วงเช้าวันนี้ก็ท่านมอบหาให้พูดนะเรื่องของนิวรนนะ์ก่อนจะถึงตรงนั้นแตมา <c oughs> ถือว่าเป็นพระน้อยอยู่ ขึ้นมันนั่งที่สูงมันรู้สึกว่ามันความรู้สึกของเราเนาะถ้านั่งสูงกว่าผู้ใหญ่หรือนั่งสูงกว่าผู้มีคุณธรรมมันรู้สึกว่าจะเขืขอนนะทศอัตามาก็เลยย้อนไปถึงครั้งหนึ่งซะก่อนครัร้งโน้นครงวุตรกันบริวารลูกศิษย์ของนางานางสามาบดี เป็นเป็นทาสของนางสามาวดีเนาะนางนี้นางสามาวดีจะใช้ไปซื้อดอกไม้ทุกวันทีนี้ทุกวันให้ไปแปดแปดกะหาปะห น, านะบ้านเราเอาไปแปดบาทก็แล้วกันเอาไปแปดแปดดอลลาร์อย่างเงี้ยทีนี้ซื้อวันละสี่ดอลลาร์นางสามาวดีหรือใครก็ไม่รู้ว่านางซื้อแปดนะก็ทุกวันกินหัวคิวไปสี่สี่ดอลลาร์ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย ทีนี้วันหนึ่งไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนี่เกิดเกิดสํานึกแล้วก็เข้าใจธรร ม, มนะพอเข้าใจธรรมะแล้วก็อ่ซื้อมาแปดบาทซื้อมามหมดเลยวัะนนะั้นน่ะซื้อมาทั้งแปดดอลลาเลยนะทีนี้ก็ได้เยอะกว่าเก่าถึงเท่าตัวทีนี้พอซื้อมาแล้วนี่ย นางสามมาวดีก็ถามเอวันนี้ใครบริจาคดอกไม้มาเพิ่มนะถึงได้เยอะกว่าทุกวันนก็เลยสารภาพว่านะแม่เจ้าทุกวันนั้นดิฉันเนี่ยซื้อเพียงแค่สี่ตอนลากหรือนะว่าสี่ข้าปะนะแต่ว่าวันนี้ดิฉันไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดความทราบซึ้งสำนึกในกรรมที่ตัวเองทำนะก็เลย ซื้อมาแปดกับปัญหาซื้อทั้งหมดเลยก็เลยได้เยอะกว่าเดิมทีนี้นางสามาวดีแทนที่จะโกรธนะกลับไม่โกรธกับบอกว่าเออว่า <c oughs> กับบอกว่าพระเจ้าเทศอะไรสอนอะไรมาขอให้นางจงช่วยอธิบายขยายความให้หน่อยนะั้นทีนี้นางก็เลยบอกว่า งันจัดอาสนะให้นะบอกว่าพระเจ้าทําอย่างนีนะ้หมายถึงว่าพระเจ้าขึ้นนั่งเทศบนธรรมาสสูงนะมีคนนั่งข้างล่างให้นางสามรารดีก็ยอมนะให้ทาตตนเองนั่งบนอาสนะข้างบนแล้วก็นางกับบริวานอีกส่วนหนึ่งอีกสามสบคนเนี่ยนะนะนั่งข้างล่างให้ให้ธาตนั่งเทศไรตั้งแต่พระเจ้านะเทศอนุบภิกถา ว่าด้วยการให้ทานนักษาศีลเนีข้าราการออกจากการพูดถึงโทษของการมาคุณและคุณของสวรรค์ไล่ไปเป็นลําดับแล้วประเทศทีนี้หลังจากนางสามภรีได้ฟังแล้วเนี่ยทุกคนนะเข้าใจธรรมะนะเข้าถึงกระแสอ่าพระนิพพานเรีย ว, ว่าได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเอาแค่ดวงตาเห็นธรรมนะฟังไปด้วยลําดับ จิตไปด้วยน่ยโอ้โาบซึ้งเกิดปิติเพราะว่ามีศรัทธาอยู่แล้วมีศรัทธาตั้งแต่ได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดขนพองสยองก้าวเกิดเรียกว่าขนลุกเลยอะ่ะมันมันเกิดปิติตั้งแต่ได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าแล้วนะพอได้ยินธรรมะจากนางาธาตุพูดให้ฟังนะ่ยทาสีพูดให้ฟังก็เกิดเข้าใจเพราะว่าใจิตใจมันอ่อนมันพร้อมจะรับอย่างเช่นภาชนะที่มันว่างอยู่ หยดหน้ำอะไรเข้าไปมันก็รับทีนี้หลังจากเข้าใจแล้วก็ฟังเข้าใจแล้วก็วันต่อมาก็เลยไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้าด้วยกันอันนี้คือสาเหตุของนะย้อนได้เห็นว่านะการที่เราจะให้เกียรตนะิบคุคคลผู้ที่จะเอาสิ่งที่ดีสุดให้เราเนะี่ยเราไม่มีคำว่าธาตไม่มีคำว่านายนะ ถ้าน้อมรับแล้วเนี่ยมันก็พร้อมที่จะให้แล้วก็คนที่ให้ก็พร้อมที่จะอนุโมทนา <c oughs> ฉะนั้นก็จึงได้ขออนุญาโอการปฏถระเรา <c oughs> <c oughs> สงสัยดื่มน้ำไม่พอนะมันเนี่ย <c oughs> ทุกวันนั้นจะดื่มสีแก้วหแก้วมาแข่งแขนรอวันนี้หลวงพ่อท่านพามาก็เลยหลบ ออกมาไม่ได้เข้ามาก็โยมเยอะเดินมาสองเที่ยก็ต้องกลับไปใ น, ในห้องที่เดิมครับผมก็กลับไปที่ห้องไปนั่งอบอุ่นอยู่ออกมาลมแรงเดินได้สองก้าวมือแข็งเลยตอนนี้เะฉะนั้นวันนี้ <c oughs> มีโอกาสได้พูดคุยเพิ่มเติมก่อนที่จะจากาเราไปทาหน้าที่ก็ฝากเมื่อคือนนี้ก็พูดถึงเรื่องของสติ เอาช่องเช้าเอาแค่เรื่องของนิวรา์ฉะนั้นนิวรณ์เนี่ย <c oughs> เป็นอุปสรรคนะเป็นอุปสรรคของนักปฏิบัติคําว่าอุปสรรคแปลว่าสิ่งขวางกั้นสิ่งกีดขวางไม่ให้เราไปถึงคุณธรรมชั้นสูงได้นะไม่ให้เราไปถึงคุณธรรมชั้นสูงได้แต่ถ้าเราไม่มีอุปสรรค มันก็ทำให้เราไม่แว่งไม่แข็งกล้าไม่แข่งในการปฏิบัติปฏิบัติดีอะ่นะอ่อนแอเพราะว่านักรบไม่มีศัตรูมันก็เรียกว่าลงพุงหมดอะนะทหารถ้าไม่มีศัตรูไม่มีการวอมตลอดอเวลาเวลายก็ยินตั้งแต่เบียร์เฝ้าต่ออฟฟิศลงพุงวิ่งตามคนไล่ไปไบร์่นะังนั้นก็ดี นักปฏิบัติเราก็เช่นเดียวกันถ้าใครที่เจอนิวรณ์เยอะคนนั้นก็จะมีประสบการณ์ในการเดินทางเยอะแต่คนไหนที่ไม่มีนิวรณ์ปฏิบัติไปเรื่อยๆโล่งๆบงๆไปเนี่ยมัน <c oughs> มันก็ไม่เจออะไรง่ายนะมันก็ไม่เจออะไรง่ายหมือรกับมันจ ะ, ะมันลดที่มันวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรที่ให้ขึ้นเขาเลยเนี่ยมันจะไม่เห็นที่สูง นะนั้นวิ่งลงลาบแล้วก็ต่ําไปเรื่อยๆอะไรต่างๆเนี้ <c oughs> จากนั้นอุปสรรคก็คือสิ่งที่ขวางกัน้นอุปสรรคในการปฏิบัติมีกี่อย่างนนเนี่ยนะะไม่ต้องพูดถึงอุปสรรคที่อยู่ทางบ้านนะเรื่องปริโภ o t นึกถึงบ้านอุปสรรคอะไรเพราะนั้นไม่ต้องเพราะเราตัดมาตรงนี้แล้วเนี่ยเอาอุปสรรคของการปฏิบัติเขาเรียกว่านิวรณ มีอยู่สี่มีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะนี่ฟอนมีอยู่ห้าอย่างทีงนี้ขอสักคนละตัวได้ไหมเนี่ยนะใครจําอะไรได้บ้างเพราะว่าส่วนมากเขาเป็นนักปฏิบัติฟังประสบการณ์แล้วหนูผ่านมาหลายครูบาอาจารย์มีประสบการณ์มากกว่าพระสี่ปฏิบัติมาแล้วยี่สิปีอาจารย์คนนั้นโอ้ทำไมาจะไม่เกิดได้มั้งนะเป็นผู้แก่กล้าสามารถนะเอาลําดับจากความอวบอินะ่มไม่ต้องเอาจากความสวยนะ นะเออไม่ชี้ได้ตัวหนึ่งแล้วอขอตัวหนึ่งแกไม่มชี้การมาฉันทะ <c oughs> คําว่าการมาฉัานทะนี่คืออะไรนะก็สังเกตนะปฏิบัติสังเกตเอ้าการมาฉัานทะอัดมาเห็นชัดเจนนีไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มนทลอยู่ที่โน่นดูแพลอยู่ผาตึมอยู่กลางกลางมนทนดูเดือนเดือนหนึ่งการมาฉัานทะ ว่าการเมฉันทะเนี่ยไม่ใช่การเมาลราคานะการเมชานท่าตัวนี้คือคําว่ากามตัวหนึ่งกามตัวน้แปลว่าความไข่ความไข่ไข่ในตาขอ ง, ของตัมกมลินกายใจเนี่ยนะฉันท่าคือความพอใจในสิ่งที่ตัวเองยินดียินดีในอตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไปอยู่แล้วมันเกิดความอยากอยากทางด้านอาหารโอ้ ปลาเขาปรปุงแต่งหาอาหารที่มันอร่อยอร่อยนะเพราะว่าเปลี่ยนกันทีละสิบห้าวันองค์หนึ่งเข้าเก็บอารมณ์องค์หนึ่งต้องไปบินธบามาเลี้ยงก็ทําอาหารที่ครัวของโรงเรียนเขาโรงเรียนปิดพอดีโรงเรียนนั้นท่านท่านอาจารย์บัคคูบัลเลียก็เคยไปมนะีมีนักเรียนอยู่หกคนปหนะึ่งถึงปหกนะรู้สึกว่าปห้าไม่มีมีปหกอยู่คนเดียวปสี่มีสองนอกนั้นก็ปละคนละคนมีครูอยู่สองคนนะโรงเรียนนั้นนะ จะเรียนจะสอนปหนึ่งก็ต้องประหกก็ต้องเรียนด้วยจะสอนประหกปหนึ่งปสองปสามปสี่ก็ต้องเรียนด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เขาปิดเพอมมาภาคก็เลย ไ, ไปอยู่องหนึ่งเก็บอารมณ์สิห้าวันองหนึ่งก็ต้องไปบินหบาทจากชาวบ้านนะได้มานิดหน่อยครึ่งบาทนะั่นี่ยก็มาทําอาหารเพิ่มนะทําอาหารเพิ่มมาเลี้ยงกันเก็บอารมณ์เปลี่ยนกันป ร, กรากฏว่า ระหว่างปฏิบัติช่วงเก็บบอมโอ้โมันอยากจะฉันอันนั้นอยากจะกินอันนี้นะมันหิวปรากฏว่าพอมันก็ไม่มันไม่ใช่หิวนะมันคเป็นความอยากพอนึกถึงความอยากเพิ่มเนี่ยนึกถึงอาหารเพิ่มน้ำลายมันจะไหลใช่ไหมน้ำลายจะออกพอน้ํำลายออกเราคืนน้ําลายปับ๊บเนะี้ยะเอนไซม์ลงไปสู่กระเพาะกระเพาะก็ทํางานดนที่นี้แตืนะ่องจากมันนึกปรุงแต่งเนีอ้อ้จะกินอันนั้นถ้าออกไปจะซื้ออันนั้นกินจะซื้ออันนี้กินมันรู้สึกว่า มันแรงมากนะแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าไมต่อเดินขึ้นมาสู่ถนนใหญ่มันทางเข้าไปรู้สึกว่าจะซ้ำจะร้อยหกสิบโค้งประมาณนี้นะขวางโคงนะ้งเนี่ยเข้าไปตามทิวปลาเขาเออตัวนี้ไม่ใกล้หรอกมันกัดกันด่านมากตามหนทางที่ญี่ปุ่นเขาทำจากอุตรดิตมาแพร่เนะี่ยตามยอดเขาเลยตัดยอดเขาไปเลย บางทีโค้งไปไกลน้ต่สองสามกิโลแล้วมาใกล้ๆนี่นะโค้งมาไกล้ตามซอเขาถ้าลงตกลงไปนั้นไม่ต้องบอกว่าเห็นกระดูกเลยนะไม่เห็นทั้งผ้าชีบอนนันถ้ามันตกตรงนั้นนะงบเขาทางขึ้นาเดินขึ้นมาบนยอดเขาก็เขาบอกว่าอะไทางขึ้นมาเนี่ยเป็นสองสามกิโลทางชันมากทีนี้ ก็อยู่มันนึกถึงตัวนี้โอ้โหเรื่องามาฉยนะความใข่ในความอยากอยากทางปากนะอยากทางปากทีนี้ชาวบ้านเขาฉลองปีใหม่กันทีเนี้เออสงการนะไปอยู่ดันไปอยู่ช่วงสงการชาวบ้านชาวเขาเขาก็มีอยู่หกเจ็ดหลังนี่แหละก็มาชาดเอาโซลาเซลล์ที่โรงเรีย น, นยไปเปิดสตริโอฉลองเปิดเพลงทีเนี้ยมันเป็นคนละภูเขากัน เสียงสะท้อนมาหาเราทีนี้โอ้ยเดินจะกลมไปก็ลร้องเพลงในใจไปนะเราเห็นทันนละ้วตัดออกไปเดินไปเดินไปไม่นานก็ร้องเพลงเขาอีกล้เนี่ยโอย้มันยินดีในเสียงร้องเพลงก็พยายามต่อสู้กับมันอยู่ต่อสู้ดีหน่อยที่มันมีสติรู้เท่าทันมันบ้างก็ตัดออกตัดออกตัดออกสุดท้ายก็สัจจะว่าเสียง แต่ตอนแรกมันเป็นเพราะใจเรายินดีเนี่ยมันจะเสพว่าเพลงเก่าๆที่เราเคยร้องเคยอนะไรขึ้นมาเนะนื้ปรุงแต่งถึงเพลงนั้นตรงนั้นตรงนี้ถ้ามันปรุงแต่งแล้วมันไม่อยากจะออกนะบางครั้งมันโอ้เอาซะหน่อยนะปรุงแต่งเท่าไหร่เป็นเรื่องที่มันหอมหวานเหลือเกินเนะนื้ถึงเป็นเรื่องเป็นราวนะจนขี้เกียจปรุงแต่งแล้วค่อยออกมาค่อยหยุดอ่ะทีนี้มันก็เกิดเป็นความเคยชินเลยสติเราก็อ่อนถ้าเราไปเปิดปรุงแต่งบ่อยมาก นะเนี่ยเขาเรียกว่าเอาแค่สองสามตัวที่ตัวเองประสบกามาราคะนะหรอกามการมวชันทะที น, ะนี้มันรวมถึงกามมาราคะด้วยตเนี้ยนะกามมาราคะโดยเฉพาะวัยหนุ่มนะีย อ, อัตมาเมื่อไหร่มันจะพ้นเบญจะเพศสักทีนะบอกวันนะนะตอนนั้นก็อายุยนะี่สิบอ็ดยิบสองยิบสาเนี่ยปฏิบัตนะิโอ้แรงมากนะธรรมชาติของมนุษย์เรา โอ้แต่ต้องต่อสู้ทนยืนดูมันนะทามันการมาราคะมายืนดูมันสิ่งที่เราเคยสัมผัสเคยได้ยินได้ฟังเคยรู้เคยเห็นมาแต่เป็นสมัยเป็นคาวาสเนี่ยนะพอมันเกิขดขึ้นมามันผดขึ้นมาโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเป็นภาพเลยต้องอดทนอดกั้นยืนต่อสู้มันอยู่อย่างนั้นนะทนะรามานมากจนะจะถึงวัย ว่าเมื่อไหร่มันจะเขาบอกว่าถ้าเลยใบเบนจะเพศแล้วมันจ ะ, ะทุเลาลงที่จริงมันไม่ใช่มันก็เหมือนเดิมแต่ว่าสติเราเข้าไปกำหนดแล้วก็ผ่อนคลายความตรึงความเคร่งความเครียดให้มันลดลงได้ต้นเองนะนึกถึงอสุภะนี่ไม่ทันเลนะทีนี้ก็เลยปีที่แล้วเนะี่ยมีข่าวจุดที่ภาคใต้พระหน่งงหนึ่งไปปฏิบัติกรร ม, มาฐานนะไปปฏิบัติกรร ม, มาฐาน เป็นข่าวเพราะว่าท่านไปเอามีดไปตัดนะอาวุธประเภทตนเองทิ้งเนะียเพราะว่าปฏิบัติแล้วมันขวางมันอเจอือภาวาตัวนั้นมันไม่ไหวเหมือนันะอาตมาก็เลยรู้เลยโอ้แบบว่าท่านมีความมุ่งมั่นมากนะมีความมุ่งมั่นในการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันกลับเป็นสิ่งที่ไปตัดอเขาเรียกว่าถ้าถ้าบวชก่อนตัดเนี่ยถ้าตัดก่อนบวชไม่ให้บวชเลยนะพวกนี้ นะเพราะว่ามันมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะต่อสู้มันไม่ใช่ความจริงฉะนั้นพวกกระเทยพวกคันทีทั้งหลายนะพวกนี้จะเป็นบวชไม่ได้นะตามพระวินัยแล้วเนี่ยนะพวกบรรดาพวกสิ่งเหล่าเนี้ยบวชไม่ได้เพราะว่าอ่าธรรมชาติแตนะ่มันไม่เป็นไปเพื่อกันารบรรลุพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วนี่ยมันคนตาบอดหูหนวก่มันอาการตัวใดวตัวหนึ่งมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เพราะว่า าการกระทบความจริงมันไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องศึกษาปัญหาจากทางตาศึกษาปัญหาจากทางหูทางจมกูกทางเลื่อนทางกายศึกษาปัญหาจริงแล้วเนี้ยมันจริงจะออกจากต่อสู้มาได้มันจริงจะพ้นแต่ละตัวแต่ละตัวจริเนี้ยไปได้นะถ้าไม่ปฏิบัติมไม่มันไม่ค่อยเกิดได้สิ่งถ้าปฏิบัติแล้วโอ้เสือมันแรงมากกรรมะกรรมะฉันท่าการมะราคาพวกเนี้ยโอเคเนาะอธิบายมากว่าทีละตัว แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ต้องเจอทุกคนแนะ่แหต่ว่าแต่เป็นตัวไหนก่อนอถ้าแล้วแต่จิติทยของแต่ละคนอทีนี้เอาเอ า, เอาโยมรัตรนาไปแล้วเอาบุษ โ, โสร่องเราจะถามทุกตัวหน่อยรู้สึกว่าเติร์ู้คิวตัวเองนะัดหลบไเออเอ า, เอาใครก่อ น, น, นเนี่ยอา่าทางนี้เนาะหรือใครก็ได้ที่รู้แต่ตัวอโยมใครหนึ่งกลางมาฉันท่แล้วตัวที่สองคืออะไร ะ เ, เวทเวทธนาไม่ใช่เวทธนานะเวทธนาเวทธ น, นาไม่ใช่นะเวทธนาไม่ใช่นะไม่ชีว่าให้เฉลยแล้วพยาบาลเอาก่อนเพื่อนเลยแบ่งให้รุ่นน้องๆเขาคิดบ้างนะเพราะว่าปัญหาบางอย่างเราไปเคียวให้กกืนนี่รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปชนะ่วยร่วมกันมีส่วนร่วมนะพยาบาลนะฉะนั้นตัวพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นตัวร้ายแรงมาก โดยเฉพาะผู้ชายหรือนักเลงเนะี่ยฉะนั้นพระสายงานนี้ส่วนมากผู้ที่อยู่ได้คือนักเลงนะเพราะตุ้มติ่ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มปฏิบัติไม่ค่อยได้หรอกนะเพราะความละเอียดเกินไปแต่ผูท้ที่โอ้ยเดนเรียกว่าเดนคนมาแล้วเนี่ยเดนคุกมาแล้วเี่ยพอมาปฏิบัติที่มีรายเตรียมตัวเนี่ยนะพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต่อสู้ถ้าเอาจริงจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเคย นึกเคยคิดปยาบัติอาฆาตใครตั้งแต่ใครเคยทำํำตั้งแต่เป็นคารวาสเป็นอะไรเนี่มันจะก็เรียกว่าอฉ า, ายขึ้นมาเลยอดีตความพฏาาิบัติตอนนี้อาตมาเคยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมันก็ไม่ใช่เกลีเมื่อไรเกเรอะไรหรอกโดนลูกหลวงเขาไปเที่ยวงานเนี่ยนะเราก็สมัยเป็นหนุ่มก็อ่าสุราอะไรก็เราก็ไม่ดื่มเยอะแล้วเราก็ไม่ไปมั่วซุมอะไร ทีนี้เป็นนั่งดูหนังอยู่ทีนี้เป็นนั่งดูต่างบ้านนะนักเรงเขาเยอะไปดูทีนี้บังเอิญว่าระหว่างที่นั่งดูเราก็ไม่มีศัตรูท่าไหนเลยเราก็นั่งดูจากใจจดใจจ่อเนี่ยทีนี้เพื่อนที่เป็นบ้านเดียวกันเนะน่ยมันนั่งอยู่ด้วยมันก็มีเรื่องมีราวกับคนบ้านนั้นด้วยอ่พอ่านั่งดูไปดูมาเกิดฟ้าผ่านที่แตะหัวเราเนี่ยนะ ปีปเ้เลยปากนเเจอแต่อะไรหิงห้อยเนี่ยมาเราเห็นดาวเลยเนะ่ดาวกระจายเลยล้มลงไปมองดูมันมันวิ่งไปแล้วไอ้คนที่มาทําเนี่ยไอ้คนที่เพื่อนเราที่มานั่งอยู่มันไอ้ที่มันไปมีเรื่องเขามันเปิดก่อนเราแล้วเราไม่รู้เรื่องรู้เราเนี่ยนึกว่ามาด้วยกันโอ้ยหาทางทีนี้หาทางจะแก้แค้นผูกขยาบานไว้มากเลย ทีนี้ก็อาวุธมันมีเยอะที่บ้านนะจะเอาอะไรอนมาก็เนียมีพี่ชายเป็นทหารบอเอาปืนมาให้หน่อยจะฆ่าคนนะมันรู้สึกมอนพยาบาลเราไม่เคยทําใครแต่ว่ามาทําเราก่อนมันเรายอมไม่ได้ก็ปืนมานะเอามาพกนะมาพกไว้มันก็ไม่เห็นเขาทุกทีแร้วนะไอ้ผู้ที่มาทําเราจนทีนี้มันก็เอ๊คนนึกอยู่เหมือนกันเราพกปืนถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยมันก็มันก็มีสํานึกมันบ้างนะนะ แต่มันก็แค้นอยู่แค้นในใจมันปวดได้เป็นนะแต่มันก็มีตัวที่จะมาผ่อนผัวขายมามีเหตุผลทอนควรอยู่นะแต่บอกว่าอย่า ม, มาทําให้เห็นอีกแล้วกันนะยิ่งอย่างเดียวนะทีนี้ไปเที่ยวเวลาไปทเที่ยวการอะไรต่างต้องพกปืนด้วยนะเวลาไปก็ฝากผู้หญิงไปพอไปถึงงานแล้วก็เอาขึ้นนะก็พกอยู่จนบวชอนะ่ะทีนี้ไอตัวที่เราเคยถูกตัวเนี้ยมันก็ลืมไปแล้วนะบวชนะพอมาปฏิบัติธรรมเนะี่ย โอ้โหเหมือนขึ้นมาอาฆาตพยาบาทเรื่องต่างๆที่มันเคยงุนหีดใครคุนคือไงมันขึ้นมาเดินจมกรมฟุ้งซ่านนะทั้งเตะหน้าเตะหลังวาดภาพหน้ามันอยู่ตรงหน้าแล้วก็ปั่นดึกเม่นเมนะตีคือเราไม่มีสติมีแต่มันไม่ทันความเหล่านี้ยบางครั้งมันอยากระบายมันอัดอดัดขัดเครืองใจสักเตะสักตีแล้วเก็ผ่อนคลายแล้วก็เดินจมกรมต่อบางครั้งเดินไปเดินไปไม่ทันความคิด แค้นมาเตะเร็วนะเตะบางทีก็พวกเรืวเนี้ยมันมันจะเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าพยาบาทนะของการปฏิบัตินะไม่พยาบาทอย่างอื่นปฏิบติของการปฏิบัติเช่นท้านคนที่อ่าเก็บกดคนที่อะไรพวกเนี้ยจะ่ละโยมเจงเนี้ยคุยกันระ่าเนี้ยท่านโยมก็ตอนมีปัญหาโอ้จะเอาปืนไปยิงคนให้ได้นัเแต่ก่อนเคยอ่อนน้อมถ่อมตนเคยเ อ, อไม่พูดไม่จาอะไรมากเป็นคนที่ละเอียด แต่พอปัญหาเกิดแล้วมันเกิดอัดขัดเครื่องใจจะตามค่าตามล้างให้ได้นี่นะก็มีธรรมะมีเหตุผลขึ้นมาก็ค่อยมาตัดตัวนี้ได้ฉะนั้นในความพยาบาทตัวนี้มันจะมีอยู่ทุกคนแล้วแต่ใครจะมีมากมีน้อยนะถ้ามีมากก็ต้องต่อสู้มากถ้ามีน้อยก็อ่าถ้าเป็นคนดีมาตลอดก็มีน้อยหน่อยนะมันก็มีทุกคนนั่นแหละที่สิ่งที่คนทาไม่พอไม่พอใจในถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยนะ ก็มีทุกคนจะมีมันจะพุ่ขึ้นตอนไหนจริญตุกคนใครจะเป็นโทสะจริญ ห, หรือโมหะหรือราค้าจเจริญ ต, ตัวเองตอนนั้นขึ้นมาก่อนอเนี่ยพยาบาตรเจอแล้วถ้าเราปฏิบัติตอนนี้วันสองวันนึงไม่รู้ว่าเจอหรือยังบางครั้งก็นึกถึงที่บ้านนึกถึงลูกเขา อ, อยากจะหวดสักทีหนึ่งมันไม่เชื่อฟังอะไรเขาเนี้ยมันก็มีเหมือนกันพัจยาบาตรปัจจัยาบาตรต่อลูกปัจจบาตรต่อสามีปฏิาบัติต่อเพื่อนร่วมงานอะไรต่างถ้ามันก็มีขึ้นมา ปักไปนะแล้วก็ตัวที่สามอะไรทีเนี้ยวิกิกิจาฮะวิกิกิจช้าเอาเปลนอาปักปนกันไปไม่เป็นไรเอาปักวิกิกิจช้าใช่ไหมสามตัวแล้วเนาะแปลว่าอะไรทีเนี้ยเออแปลว่าอิจฉาเนาอโอยแปลตามศัพบเลยมันไม่ถูกเขาอะเอาวิกิกิจช้านะแปลแปลว่าอะไรมาแล้ว ท่านอบ <c oughs> อุศเราโยมรัตนาไปว่าอะไรวิ ก, กิช้าเขาตอบแทนเ้วเ <c oughs> ออไม่นะสมกับเป็นผู้นะเรียกว่ารัตตันอยู่จริงๆรนะิผู้รู้ราตีนานนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ถึงสัพพัญยูนะ <c oughs> อย่างน้อย ก, ก็เป็นพวกหูสูตรฟังทุกเรื่องนะฟังมานานฟังมามากนะวิธิกิช้าคือความรงเลยสงสัย นะมีไหมในที่ตรงเนี้หนึ่งความระลัยสงสัยนีย่ถ้าเร า, าถ้าเรามีความศรัทธาเป็นเบื้องต้นแล้วมีความมั่นใจจากครูบาอาจารย์นะแล้วก็มีกระยาในมิตรที่ดีเนี่ยมันจะผ่อนคลายตัว น, นี้ไดนะ้เพราะว่าอาตมาตอนแรกไม่ไม่มีความรัลเลสงสัยแต่ว่าปฏิบัติตอนแรกก็ไม่ได้หวังอะไรคือไปอ่านโลกทิศเยอะ นะพอไปอ่านโลกทิพย์ของครูบาอาจารย์อง์นั้นอง์นี้นะโอ้แต่ละองค์เดินทุดงค์ไปเจออุเบรษ์แสดงอพิณิหารตรงนั้นตรงนี้มันอยากจะเป็นนะโอมันก็เลยนะปฏิบัติเพื่ออยากได้อิทธิ ป, ปฏิหารบางทีจะได้เดาใจคนนั่งคนที่มันด่าเราหรือมันยอเราอะ ไ, ไรมันถ่ยมันอยากจะได้นั่งเพง่งนั่งบางทีก็เพ่งลมนะนั่งเพง่งต้นไม้ลมไหวลมอะไรเนะี่ยมันจะเอาจิตเราไปข่มไป บางผักต้นไม้ให้มันเอ็นให้มันอะไรพวกเนี้ยนะเพรแน่นนะ้าอกมันจะตายได้ทีเนี้ยต้นไม้ก็เป็นของมันอยู่นั่นนะมันไม่ขยับเลยบางทีก็ไปนั่งดูนเพลงเทียนนี่นะนั่งดูไม่กระพริบตา น, นตา้าหูน้ําตาก็ไหลน้ําตาก็ไหลแสบตาก็หยุดนะมันก็ทําไปตามความนึกความคิดแรกๆนะยังไม่ปฏิบัตนะิทําไปกับไปตามโลกทิพย์นะเอาตามนะ บางครั้งก็ น, นั่งหลับตาซะจนหลับนะเป็นวิปั ส, สนานมาแล้วก็มีวิปั ส, สนาไม่เกิด <c oughs> <c oughs> ทำเพราความอยาก <c oughs> อยากจะเป็นอยากจะมีเหมือนท่านหารู้ไหมว่าท่านทำให้รู้ว่ากี่ปีแล้วนะบางทีก็อยากจะเดินทุดงอันนี้เ็าเรียกว่าความไม่เข้าใจของเรานะเรียกว่าศรัทธาจากการไม่มีกยยัลญาในมิติชี้เนี่ยที่จริงทีนี้พอมาปฏิบัต นะยกมือสร้างก็ว่า ก, ก็ทำเพื่ออาจจะเกิดปฏิหารอะไรบ้างนี่นะก็ยกมือขึ้นเผื่อจะมีหูทิพตาทิพอยากจะมีตาทิพหูทิพเหมืนคุณโยมบอกโยมไอ้เจงบอกอยากจะมีหูทิพตาทิเพเผื่อจะได้มองไปเห็นใครจะได้โอ้โหรูปปูโป่งอ่างเงี้ยใครอยู่ที่ไหนทำอะไรที่ไหนก็อยากจะมองเห็นงี ะ, ะโอ้ถ้ามองถึงขนาดนั้นคงจะทุกข์ตายเลยนะ บางทีมองเห็นคนเขาก็กำลังจะฆ่ากันอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเอาเกิดมองเห็นคนเขากำลังจะมีเพศสัมพันธ์กันอยู่อย่างเงี้ยตายเลยนะฮะดิมองเห็นคนเขากำลังจะอะไรพวกเนี้ยตาทิพย์อย่างหนึ่งบา ง, างครั้งมันมันนึกถึงบางทีก็ตกใจเหมือนนะแต่ไม่เคยเห็นทีหลีหรอกนะเกิดหูทิพย์ทีเนี้ยโอ้โหได้ยินทุกเสียงเขาดาขาขา่าเขาว่าเขาบ่นเขายกยอสันเซินอะไรก็ได้ยินหมดแต่มาเขาคงจะเป็นบ้าพอดีนะ ก็จะเป็นตาทิปอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเราไม่เข้าใจเลยวนะว่าเป็นยังไงเอาเป็นตาทิปแบบ อ, อ, อินเ ท, นเทนเอร์เน็ตดีกว่าเราจช่ไหมหนุม่มมันอยู่ที่ไหนมุมโลกกดดูได้เลยตาทิปแบบเนี้ยแน่นอนกว่าเราเลือกได้อยากจะดูเรื่องอะไรนะเข้าไปในเสิร์ชหาเจอเลยเนี้ยเาเรียกว่าตาทิปเหมือนกันนั่นแหละนี่เขาเรียกว่า มันมาจากพยาบาลมันไปถึงตางหูติปตาทิปได้อย่างไร ว, วิกิกิจชาเข้าไปวิกิกิจชาคนโมเยสสงสัยเฉะนั้นเราปฏิบัติไปอีกอย่างหนึ่งก็คื อ, อพอปฏิบัติไปคนที่มีวิกิกิจชาเยอะที่สุดเนี่ยคือคนที่รู้มาก่อนนะเรียนมาก่อนแตมาโชคดีที่ไม่ได้เรียนมาก่อนปฏิบัติถ้าอันนี้ปฏิบัติไปก่อนค่อยเรียนค่อยๆพอไปเรียนนะักทาตีตัวเอีกแล้วโหมัน ชัดแจ้งมันกระจายไปที่เราหัวข้อนะซึ้งมากเนละเรียนนักธรรมเนี่ยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติสอนเนี่ยสอนแต่เรแต่สอนแต่ละหัวข้อเนีถึงนิพพานทุกข้อเล ย, เ น, ยนะอาจารย์ท่านสอนถยู่นะสำนักปฏิบัติที่แพรเนะี่ยสอนสอนแต่ล้วเรื่องเน่ยโยงไปถึงนิพพานทุกข้อทุกข้อเลยแล้วก็สาบซึ้งก็เป็นไปตามที่ท่านอนุมานไปนะฉะนั้นความวิจิตรฉาตัวนี้เี่ย ของผู้ที่ไม่มีการศึกษามาหรือผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาบ้างเนี่ยจะน้อยแต่ผู้ที่ทํามาหลายสายทํามาหลายวิธีวันนี้จะเริ่มละนี่มันยกมือมันจะเข้ากับตัวนั้นไหมนะได้ยินอาจารย์คนนั้นพูดอย่างนี้มันจะตรงกันไหมนะเริ่มความวิกิชั่นตัวเนี้มากแตนะ่บางครั้งเราอ่านมาอย่างเนี้นะมันเป็นตัวเดียวก็หรือเปล่า เออเราทำเรารู้สึกนิดหนึ่งมันมันใช่ปฐมฌานหรือเปล่าเราเริ่มแล้วทีนี้นะลำดับฌานแล้วนะลำดับฌานปฐมฌานเริ่มจากปิติเริ่มจา ก, จากวิตกวิจาร์น่ะปฐมฌานือวิตกวิจาร์านฟงสารนำคาญมันเป็นหรือเปล่าเราวิตกวิจารไปหรือเปล่าเนื่องถึงบ้านมันเป็นวิตกวิจารหรือเปล่าเราเริ่มลำดับไปฉะนั้นผูฏี อหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าอย่าไปคิดเอาก่อนฉะนั้นสายงานหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าเวลาปฏิบัติให้ยกมือรู้สึกตัวซื่อๆเฉยๆไม่ต้องไปรู้อะไรอย่าเพิ่งรู้อะไรไอ้ที่รู้มาทั้งหมดเยปล่อยให้มันวางได้บ้างเนียไอ้รู้มาทั้งหมดเอาทิ้งให้หมดอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะเอาวางไว้ก่อนมันทิ้งไม่ได้หรอกมันเป็นสัญญาของเราอยู่แล้วล่ะเอาวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเอามันมาหยิบมาวิจัย ให้จับต hmm? yeah. right. right. ัวรู้สึกให้มันชัดเจนแต่ละตัวแต่ละตัวให้มชัดเจนก่อนนัยกมือให้ชัดเจนอความรู้ความที่เราเรียนมาหรือเข้าใจมาฟังมาทั้งหมดให้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะไอมาจับความรู้สึกมันเห็นความคิดเข้าใจความคิดเห็นความคิดตัดความคิดรู้ความคิดตัวเองแล้วไปไปตามความคิดความคิดก็รู้สาเหตุของความคิดมันสั้นมันเกิดขึ้นตรงไหนมันเกิดขึ้นจากตรงไหนนะเราออกจะมันทันไหมล่ะนะให้ศึกษาที่เป็นปัจจุบันกการ ธรรมะเพราะว่าธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งคือรู้รู้อาการสภาวะที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าไม่ต้องหยิบเอาอดีตมาวิเคราะห์ไม่ต้องห ย, ยิบเอาอนาคตมาวิเคราะห์ไม่ต้องหยิบเอาสิ่งที่เราเร า, เ ร, าเรียนมาวิเคราะห์นะเป็นบิสายนี้นะให้มันจะถึงวาละถึงเอามาวิเคราะห์เองสิ่งที่เรารู้นะะ จ, จะเพิ่งเอามาให้เราเอาปัจจุบันให้มันชัดเจนนะถึงเวลาที่มันเอามาวิเคราะห์เราเอามันไม่อยู่หรอก ถึงช่วงวิตกวิจารเนี่ยโอ้ยหัวคอทำมันหลังไหลออกมาเนี่ยนะนะหลังไหลออกมาออกมาไปเจอหนัหนกๆตัวนี้อยู่ที่ออยู่ที่เกาะช้างนะไปอยู่เกาะช้างจังหวัดตราดไปเข้าไข่กับหลวงพอนะ่อเนี่ยโอ้ยเดินจนกลมต้นตะเคียนใหญ่สองต้นอยู่ะตะเคียนใหญ่ตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่ ง, ต, นนงตื่นมาตี ต, ตีสองตีสามมาเดินจนกลม ตรงนั้นเปลี่ น, นะครับเห็ดอะไรเกิดขึ้นมากลางคืนนี่แปลว่าสว่างหมดเลยนะเห็ดแมลงอะไรที่ไม่ใช่มแมลงหิ้ห้อยวิ่งตามพื้นดินเลยนะก็สว่างเห็ดอะไรเล็กๆอ่ใสๆกลางคืนจะสว่างตอนเช้ามาพอพอสว่างม า, มาจะละลายเลยเป็นน้ำมาเลยเห็ดอัเนี้ยทำไมาไม่รู้อย่างไรมันฝนจะตกเมืองฝนแปดแดดสี่นนะปีหนึ่งสิบสองเดือนเนี่ยฝนจะแปดเดือนฝนจะมาจะแปดเดือนแล้วก็แดดดูดสเดือนเราเมืองฝนแปดแดดสี่ นะฟ้ายังไม่ร้องละ่ะฝนตกมาก่อนแล้วเห็นเมฆมาก่อนหนึ่งก็รู้แล้วฝนตกแ น, น่นอนมันชื้นความชื้นมันเยอะทีนี้เดินจงกรมหนึ่งนะเดินปลาเขบว่าโอ๊ยเอาไม่อยู่มันเทศนะเทศวิตกวิจารณ์ได้หัวข้ออะไรขึ้นมาโอ้ยมันแรงมากนะ่ะเทศก็ปล่อยมันเทศเอาปล่อยปล่อ ย, อยมันชิดในเราเรารู้อ่ะนะท่านถึงบอกว่าอย่าไปอ่านหนังสือแล้วอย่าไปจดเอาไว้ ท่านบอกเลยอย่าไปจดเอาไว้มันจะคิดอะไรขึ้นมาได้หัวข้อทำนี่ดีๆเป็นนั่งจดไม่รู้ไปไหนน่ะะเดินต่อสู้ประเทศปอยประเทศไปขึ้นจากธรรมานี้ลงธรรมานี้เดี๋ยวก็ว น, นึกไปหาโยมคนนั้นไปเทศน์ให้โยมคนนั้นฟังไปเทศให้พี่น้องคนนั้นฟังไปเทศตามหน่วยงานนี้คนระดับนี้เทศอย่างนี้ทำว่า ม, มันวิจัยขึ้นมาเนี่ยอาตจมาถ้านั่งแต่ก่อนมันมีเทมเพษทเสร็จนะนั่งถ้าเป็นนั่งบันทึกหได้มันสัก รถปริ๊อปหนึ่งนะคาเทศนะมันเยอะจริงๆโอ้ยเป็นสิบวันกว่าจะลงได้จนเหนื่อยมันนั่งหอบมันคิดมันเหนื่อยแล้วก็ไปเดินต่อแพ็ปเดียวเทศอีกแล้วนะเทศก็ปล่อยมันตัดไม่ทันทีนี้หลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันถึงค่อยๆมันหมดคําเทศแล้วมันเทศมันเยอะแล้วมันค่อยมาดูมันเออโอเคมันสงบแล้วค่อยๆเดินจากนั้นก็ได้อารมณ์ ได้รมสปฏิบัติสบายนะไล่ตัวตนแล้วตอนนั้นเนอะทีนี้พอปฏิบัติไปนั่นเนี่ยปีนั้นพอ่อพ่อตายพอดีนะพอ่อพ่อเสียที่บ้านนะอาตมาไม่รู้อาตอมาอยู่ก่อช่างนะพอเสียก็รู้ว่าท่านรู้อยู่นะว่าท่านเสียเพราะมันมีนิมิตมา บ, บอกอยู่แต่แเราก็ไม่ไปไปไม่ได้นะถึงกําหนดพอกลับไปก็ได้ไปกราบขี้เท่าท่านวานวลนะั่นแหละทีนี้ <c oughs> ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าวิกฤติกิจฉาของเราเนี่ยมันมีไหมนะฮคือศึกษาลองดูว่าถ้าเรารู้ม า, มากอาจารย์บอกว่าวิธีแก้วิธีคือให้จับปัจจุบันให้ชัดเจนมากสุดอย่าไปเข้าไปอยู่ในตัวนั้นนะอย่าไปเข้าไปอยู่ในมันเอาไว้ก่อนมันจะสงสัยอะไรก็เอาไว้ก่อนนะให้ก่อนจะสงสัยในยตัวเองรู้สึกตัวชัดไหมถ้ารู้สึกตัวปัจจุบันชัดมันความสงสัยมันจะหายอืโอเคเนาะ ว่าจะไม่พ oh, ูดหัวข้ออะไรเยอะหน่อแต่บอกผมมาเอาม่มันมายาวแล้วเงินเมื่อกี้นายโยมเบใช่ไหมวิกีกิตชาเนีก็โยมรัตนาตอบความมองเลสงสัยสงสัยไม่ต้องไปสงสัยในพูดพระธรรมประสงค์เรองนี้เราไม่มีอยู่แล้วล่ะคือเขาบอกว่าสงสัยในในหนังสือเขาบอกว่าสงสัยในสงสัยในพระพูดพระธรรมประสงค์มีจริงไหมบางคนมาอุตรีไปบอกพระพุทธเจ้าไม่มีจริงนะไม่ใช่เกิดขึ้นจริงหรือว่าไปไม่มีจริงไปดูสิที่ประสูนยของท่านก็มีนะที่ ประ า, าสามหลังอ่าสะามดูดูก็มีหมดทุกวันเนี่ยเป็นหลักฐานหมดอะต้องไปถามท่านยันไทเดชท่านไปล่องเป็นไกด์บรรยายสังเวียนสถานที่อินเดียจนชำนาญ น, นันแล้ท่านเดชนะเราคงไดีินท่านคุยเราต่อไปว่าหลวงพ่อว่าจะมาจะไปวันนี้ก็เลยรีบให้คุยก่อนเนะน ะ, นะฉะนั้นพระ เ, เจ้า พ, พระพุทธรรมประสงค์นี่ คนทั่วไปถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่าไม่มีกริงแต่ก็ไม่เข้าใจจริงนะเหมือนกับบทหนึ่งเขาบอกว่าพระหูเวสรานังยันติไหมปปะ า, าตาในวนัานิจะอารามรุกเจ ต, ตยามนุสเดทิยาเนี่ยคือมนุษย์เป็นอันมากมนุษย์ส่วนมากเมื่อเกิดมีภัยคือความแก่ความเก็บความตายคุกคามแล้วภัยคือความพระภาคโศกบริเตวะคุกคามแล้วเนี่ยภัยคือความไม่สมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหม ก็ไปเอาภูเขาบ้างไปอ้อนวอนภูเขาเรากาพระเจ้าอยู่ที่ภูเขาด้มีเจ้าป่าเจ้าเขาในบ้านเราถ้ามีต้นไม้ใหญ่จะมีเจ้าป่าเจ้าเขาไปเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามวัดนะที่สร้างไวเ้เจดีอารามแล้วลูกกับเจดีบ้างเป็นสาระนะ้ำคิดดูะนะแม้แต่เจดีที่เราสร้างหมดเงินหมดทองไปตั้งเยอะสาราการประเรียอะไรต่างๆบางคนก็ไปอ้อนวอนในเฉยสร้างเพื่ออ้อนวอนในเฉย มันไม่ได้ประโยชน์จากส่วนนั้นนะถ้าเราเอาไม่เป็นของดีก็มีอยู่แต่ว่าถ้าเราเอาอเป็นก็ได้เนะนตังโขสระเขียงมังเนี่ยใช่ไหมที่เราส่วนธรรมาจะไม่พูดมากตวเ น, นี้ยนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเป็นสาระพึ่งได้ถ้าฝนตกเราก็เข้าไปอาศัยได้ในซาลาใช่ไหมถ้าแดดออกเราก็ไปอาศัยล่มไม้ตามภูเขาได้เนะียอาศัยได้เป็นบางอย่างนะไม่ใช่สาระอันสูงสุดไม่ให้เรา ไม่ทําให้เราออกจากทุกข์ได้ไม่ได้แก้ความโศกกาปริเทว่าไม่ได้แก้ความพลาดพาคเราได้ถ้าเรามีความทุกข์ทางใจเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้มันหายไหมมันไม่หายมีความทุกข์ทางใจไปนั่งอยู่ในศาลามันหายไหมมันไม่หายเกิดพภาคอลาเกิดไม่สบายใจโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะไปนั่งอยู่หน้าเจดีมันหายไหมมันไม่หายถ้าเราไม่ฝึกตนเองเนี่ยนะดังนั้นอต้องประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธอยู่ที่ไหนอ่ะพระพุทธออยู่ในพระพุทธคือตัวรู้เรารู้ปัญหารู้ใจเราว่าไม่ไมสบายใจขุนเคืองใจขุนหยิยดใจเนี่ยเรารู้ไหมคือถ้าเรารู้อยู่ก็คือพระพุท ธ, ธมันมีในใจของเราแล้วนะพระพุท ธ, ธอยู่ในใจเราเรารู้ก็แก้ปัญหาตัเองเี่คนอื่นมันแก้ให้ไม่ได้คนอื่นจะมาปลอบ <c oughs> ว่ า, วาอย่าร้องไห้เลยไม่เป็นไรหรอกลูกตายไปแล้วก็ช่างหัวมันบ้านไฟไหม้ช่างหัวมันเดีย ม, ม, มันไม่หายถ้าคนอื่นมาปลอบ มันก็มันก็อุ่นใจนิดนิดหนึ่งแต่ว่าความตัวรู้หรือความปล่อยวางของเรานจิตใจของเรามันทุกเรารู้ว่าใจของเราทุกเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะแล้วออกจากมันได้ไหมโอ้มันทุกมันหงุดหงิดใจขุนเคืิลใจมันทุกมันอึดอัดใจทําใจสบายซะก่อนแล้วคก็หาทางแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆวันนี้นะอ้าโอเคเนาะมัน ไปเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ครบเออนี่วันตั้งสี่ั้งห้าเอาเอาทีนี้ข้อที่ไหนนะข้อที่สี่ข้อที่สามหรือสี่ข้อที่สี่ 4, 4. อ 4. เอาตัวอะไรทีนี้นอะออ๋อทีนั้นนี่างโยมได้เจอหนักมันก่อนเนื้อก็เลยจําได้แม่นทีนัมิชฌาเนะ่ทีนัมิทัอ่า แปลว่าอะไรหนุ่มทีนันม่ถ้าฮะโอ้ยลูกศิษย์อาจารย์ฟ้าหมดยังไงมันช่าทีมันมีแล้วถ้ า, ถ, าถ้าพูดเป็นภาษาเราอ๋อเลยใช่ไหมอืมทีนันมิถ้าอะเอาคนหนุนม่มๆหน่อยอเป็นคําแปลคํารงสูงให้โยมอะโยมจอยไวยังไงทีนันไม่ถ้าแปลว่าอะไร อว <c oughs> ่าแล้วจะออกมารูกนี้ง่วงเหาเหงานอนนึก่างเห ง, งาเหาหานอนเห็น <c oughs> ไหมไม่ใช่ ง, วง่วงเราเหามาเงานอนหรืออะไรเหงานอนอะอความสลึมสลือความไม่กระจ่างความง่วงเหงาเหานอนนะฉะนั้นพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยหนึ่งอะไมาพูดว่านะั้นเหยรู้สึกว่าโยมจะเคลียร์ชัเรื่อง หนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะอาหารอา จ, จเป็นเพราะอากาศอาจจะเป็นเพราะอารมณ์นะของเรานะที่มันเกิดตัวนั้นแต่ว่าอาจจะมาจะเอารัดสั้นก็คืออ่าปฏิบัติไปแล้วมันจะอาหารจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะอาหารจะเบาจะไม่ชันอาหารนี่ก็แล้วแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเจอทุกคนคือสภาวะของความห่วงของเมาหนอนตัวเนี้ยคือจิตท่องเราเนี่ง มันเคยไปอิสระนะมันเคยไปอิสระมันนกอยู่บนฟ้าเนี่ยเป็นอิสระโอ้ยอพอมันถูกอ่าเมชีจับมาขังในกรงเนียมันเป็นยังไงมันก็ตื่นตนกวิ่งชนหน้าชนหลังใช่ไหมชนหน้าชนหลังหัวแตกหัวทะเลทะเลอะขอนหลุดหมดอ่ะบางตัวตายเลยก็มีฉะนั้นจิตของเราเช่นเดียวกัน ถ้าเราปกติเราจะเห็นได้ยินเสียงอะไรเข้าไปได้จะมองอะไรเข้าไปใครพูดอะไรก็มันก็ไปคือตัวนั้นเรามันเป็นการถูกขังถ้าตามวิชาพุทธะแล้วเนี่ยจิตของเราถูกขังเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะหาทางออกจากกกงนะเนี่ยแต่ว่าตามรูปสรรับจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับอยู่ในกกงอวิเคราะห์ตัวนี้ได้นหนึ่งว่าจิตของเราปกติคนธรรมดาแล้วจิตมันถูกขังอย่างไรคือมันถูกขังด้วยอายจตรนะณะ ภายนอกทั้งหมดอรัทางรูปเสียงกลิ่นรสมันขังจิตของเราไว้บางครั้งรูปเห็นรูปสวยพอใจไม่สวยไม่พอใจหรืออะไรก็ที่ทําให้พอใจไม่พอใจทางทางตาเนี่ยคือตัวนั้นมันขังตาเราไว้ขังใจเราอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงขงังทางหูน ะ, ะได้กลิ่นจมูกมันค่มีเท่าไหร่จมูกก็มีแตลมหายใจนะส่วนมากก็มันก็มีเหมือนกันนะโดยเฉพาะโยมจะหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้เยอะนะ โอ้ยกลัวเดินใกล้คนไม่กินไม่หอมก็ต้องหาอะไรมาน้ําหอมขวดแล้วเท่าไหร่ก็ซื้อมาเพาะมาแต้มอ่าป้องกันสิ่งปฏิกูลมันจะปล่อยกินออกมาใช่ไหมเพราะว่าคนเราทั้งเนื้อทั้งตัวมันมีแต่มีแต่อะไรหนมอ๋อมีแต่ขี้ระยมเย <c oughs> <c oughs> ไอ้หน่มมันค้านในใจไม่ใช่หรอกผมรอจะตาย <c oughs> ใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ใช่โยมพูดเองพระพุทธเจ้าพูดนะ คนเราทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่หมูดึกปีดไหมทั้งมีแต่ขี้เลยเยี่ยวจะไหมหนุ่มตรงไหนบ้างที่หนุ่มไม่มีขี้เอาบอกมาที่ที่หัวมีขี้อะไรขี้รังแคใต้ลังแรมมีขี้อะไรขี้เรานี่แหละไม่ขี้เต่าขี้เต่าที่ไหนที่ตัวมีอะไรจะขี้เราเนียจะขี้ใครนะนั่นไม่ยอมรับนะขี้ใครได้ที่ตามตัวเราก็ขี้อ่าเรียกว่าขี้ใครนะ เป็นเครือเป็นใครเป็นค่าเป็นใครนะไม่ใช่ใครคนอื่นนะเนะี่ยที่เล็บมีขี้อะไรนะมีขี้เล็บที่ฟันมีมันมีทีท่ีทุกที่อ่ะจี้ไปตรงไหนก็มีดีขี้ฉะนั้นก็ต้องหาสิ่งอื่นมามาทุเลามันะซื้อน้ําหอมมาเพาะไว้น ะ, ะจะได้หอมบ้างที่จริงแล้วน้ําหอมถูกอ่าน้ําหอมถ้าถูกใครเมื่อไหร่ก็กลายเป็นซุปเปอร์เหมือนกันนะบางครั้งอะเนีย่ยยิ่งเหม็นนะ เพราะนั้นเราทุกวันก็อาบน้ําเพื่ออะไรเพื่อชาระให้มันพออยู่ได้บําบัดไม่ใช่รักษาไม่ใชใ่มันหายนะบําบัดมันนะตอมเหงื่อของเรามันออกทุกเวลานเนะี่ะโดยเฉพาะเมืองเขตร้อนแล้วก็โอ้ถูก อ, อากาศร้อนนะจะออกเร็วเนะี่เฉะนั้นตัวตัวว่าจะไม่พูดมากนะไกลไปยาวแล้วนะนะเอาถีนิมิธาตัวเนี้ยนะเอาเป็นว่า ถ้าปฏิบัติไปแล้วนะี่ยตัวเนี้ยตัวทีนิมิตะตัวเนี้ยมันจะเกิดทุกคนแล้วก็ให้ดูแล้วก็ศึกษาเอาชนะไม่ได้นะ <c oughs> นิวรแต่ละตัวอุปสรรคแต่ละอย่างมันก็เหมือนมันก็เหมือนนักมวยที่มันทำให้เราแกล่งขึ้นคู่ซ้อมเหมือนกับบันไดเห็นชัดเจนคือเป็นบันไดที่ทำให้เราก้าวขึ้นพัฒนาจิตไปสู่ขั้นที่ตะบะแก่กล้ามากขึ้น ถ้าเราแพ้ตลอดเนี่ยเริ่มนับหนึ่งแพ้เนี่ยมันจะนแพ้ไปตลอดไม่ยอมก้าวขึ้นที่สูงหาวนอนเมื่อไหร่ก็มองหาที่นอนนะฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็เดินไปคุยกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยนะมันไม่ไปไหนก็เหมือนกับอ่าอกมาสักอย่างหนึง่งนะเหมือนกับไก่ไก่มันมันจะฟักไข่ของมันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความร้อนใช่ไหมอาศัยความอบอุ่น ที่ติดอกอมันกกไข่ต้องใช้เวลานะทีนี้ถ้าแม่ไก่ตัวไหนที่มันกกไข่นิดนึงพอจะอุ่นแล้วก็หิวลงไปหาอาหารกินอก็กลับขึ้นมาที่เดิมก็มากกไข่ก็เย็นแล้วอพอไข่จะอุ่นก็ลงไปหาอาหารอีกตัไก่ที่มันไก่ที่มันกกไข่จริงแล้วมันไม่กินอาหารเลยหลายวันมันยอมอดเลยเพื่อจะให้ไข่มันออกแล้วก็มันเราถ้า พอห่วงนิดหนึ่งก็ไปนอนแล้วมาปฏิบัติใหม่นะพอนี้วอนตัวนี้มาก็หลบมาปฏิบัติใหม่ทาอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่พอที่จะได้รู้ได้เห็นสภาวะอันพออันควรจะได้รู้ได้เห็นใช่ไหมไม่ชีอ่ะมันฉะนั้นเราต้องอุปสรรคแล้วนี่ไม่ใช่เราต้องหลบมนะันนะนะต้องต่อสู้ถ้าใครต่อสู้จะเข้าถึงหนทางที่ รัดได้เร็วแต่ถ้าใครแก้ไขด้วยตอนนั้นอันนี้ทางจะเนินช้าก็ได้เหมือนกันถ้าง่วงนอนมาแล้วก็หาที่หลบไปล้างหน้าล้างตาอ่ามันก็คือมันปล่อยแล้วมันปล่อยอารมบออกไปแล้วแล้วก็ไปเดินดูตรงนั้นตรง น, นี้ก็หายง่วงแล้วทำบ้ า, าปฏิบัติใหม่มันก็แก้ไขได้นะพอมาปฏับัติใหม่ก็เจออีกเหมือนเดิมอ่ะมันถ้าเราไม่เอาชนะจิตใจตบักของเราไม่แข็งแล้วเนี่ยไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมันต้องอาศัยความเพียรตบักเป็นเครื่องเผามัน ถ้าเร า, าต่อสู้เผามันได้ท่ามันได้แล้วเนี่ยเราจะพ้นจากมันได้เห็น ไ, ไหมก็เหมือนกับแชมป์นักมวยอาอีกทีหนึง่งกลับไปต่อยอต่อยแพ้กลับมาฟอร์มใหม่กลับไปต่อยอีกแพ้ก็กลับมาวอร์มใหม่อยู่งั้นเน่มันก็เลยไม่มันก็เล ย, มเลยไม่ได้ไปถึงเหรียญทองเขาสักทีหนึง่งแม้แต่ข้ามาด่านแรกก็ยังไม่ได้เลยเนี่ย เฉะนั้นถ้าเราเอาข้ามชนะคนแรกได้เนี่ยเราเข้าไปชิงคนต่อไปไหมอ่าเข้าไปชิงคนต่อไปอุปสรรคต่อไปมันก็จะมาอีกนะแล้วก็พอเอาชนะคนต่อไปได้เข้าไปถึงเหรียญเงินใช่ไหมเหรียญทองแดงก่อนนะเหรียญทองแดงแต่ถ้าไม่ชนะเหรียญทองแดงเป็นไงได้ไม่เหรียญทองแดงไม่ได้ต้องเอาพออุปสรรคตัวนี้มาเห็นเราไม่หลบแล้วต้องต่อสู้เอาชนะมันได้ได้เหรียญทองแดงจนถึงได้เหรียญทอง อันได้ก็ดีการต่อสู้กับอนิวรณ์สิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันต้องต่อสู้เป็นอ่าระยะเป็นระยะไปต้องอาศัยความเพียรอย่าอาศัยความหลบถ้าอาศัยความหลบก็แพ้ไปตลอดต้องอาศัยความเพียรเพียรสู้แล้วแต่มาเดี๋ยวจะค่อยไปเล่าในฐานในเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นออกมาที่ชัดเจนมากแตมานึกถึงได้แต่ว่าเราเอาให้จบื่องกเรื่องก่อนเดี๋ยวจะไม่จบนะ เมื่อวานก็แฮมเบอร์เกอร์อรไม่เคยฉันมาตลอดชีวิตโอ้มันก็หิวงจนน้ำปานะฮะก่ค่อยอยิ้มชั่วหน่อยนะ <c oughs> ขนาดฉันหมดเลยนะเนี่ยเลียตองด้วยม่ายังไม่อิม่มลูกยังไม่อุ่นท้องเลยนะตัวใส่ไม่ได้กินข้าวขยันมาจัดมาเผื่อนนะเ <c oughs> อาทีนี้ถึงตัวไหนแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ตัววิกกี้วิกกี้ช้าใช่มกระถิ่นได้ไม่ถ้าพรมอ่าห้อนอน เอาชนะรดอยังทีเนี้ยยมเอาชนะได้ยังนะจะให้มันตีเสร็จหลุมตานะเดี <c oughs> ย๋ยวก็จะบอกว่ามวยกระจอกตีที่เดิมอยูน่นะตัวเองไม่แก้ไขทสักทีโอเคตัวที่ห้าคืออะไรทีเนี้ยตัวที่ห้าอุทธจากไม่ใช่ ไม่จะอุดช้าอุดทัชจักกูขุดจักนะแปลว่าความนะสัน้นนำําคาดใจมีไหมตัวเนี้ยมันมีฮะ oh, <yeah. S 1> เยอะเลยใช่ไหคือ <Yeah. S 1> <laughs> ตัวนี้จะเป็นตัวแรกอาตมาว่ามันน่าจะก่อนถีนมิถะด้วยซ้ําไปนะเออแต่ทําไมเรามองไม่เห็นชัดอาตมาบอกว่าเรามองไม่เห็นชัดประวัติเรายังไม่เห็นความคิด ตัวนี้นะเราอามาเอาไว้ที่หลังถีนเมิทาก่อนเพราะว่าพอเราจะเห็นความคิดจากคนรู้สึกชัดเมื่อไหร่ถีนิมิท่าจะเข้ามาปั่มเราซะ ก, ก่อนนะแต่เป็นมารก็เสนามารก็ส่งมาก่อนทีนี้อพอถีนเมิท่าเอาชนะได้นะจะเริ่มเห็นความคิดต้องเอาชนะไอความห่วงเหานนอนได้ก่อนนะจึงจะเริ่มเห็นตัวปกติชัดเจนแล้วก็จะเห็นความคิดมันเข้ามาฟงซ่านํากา ร, ารต่อสู้นะโอ้เริ่มแล้วมาแล้วทีนี้ไอตัวฟุงซ่านทําการ มันประดำประดามาจากไหนไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรถมเข้ามาทําให้คนท้อแท้ความเพี ย, ยร้่แล้วนั่งหลับตาทําไมสบายกว่านี้ปะเนี่ ย, เ, ยเราไปทํางานเราไปเล่นไปร้องเพลงไปดื่มไปช็อ ป, ปทําไมถึงสบายกว่านี้ทำไมทำไมยกมือให้มันวุ่นวายใจทําไมเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมาทดสอบเราไหวไหมส่วนมากคนจะแพ้ตัวนี้พอแพ้ตัวนี้กลับไ ป, ไปเป็นยังไง ไม่เอาอีกเลยการปฏิบัติเขตดลาบเลยก็เหมือนกับคนที่ถูกเชี่ยนแล้วก็ไม่ยังไม่ได้ถามแม่ว่าเชี่ยนเพราะอะไรยังไม่แม่ยังไม่ทายาให้เชี่ยนเพราะอะไรตะเลยเปิ่นๆที่ปปปไปก่อนฉะนั้นไอ้ตัวตัวถีเนี่ยตัวอุทจักกุกจักตัวเนี้ยเป็นตัวทีเ่เป็นตัวที่สองที่รองจากถีในประเทศไทยทเราจะเจอแล้วก็ทุกคนต้องเจอเพราะทุกคนมันสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่เล็กใช่ไหม สะสมเรื่องราวต่างๆมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรื่องดีไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจเรื่องอะไรต่างๆวันนี้ยนะมันจะฟุ้งไปทุกเรื่องฟุ้งสัน้นนําคันนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวดีในอาตมาว่าเนะี่ยไอ้ตัวดีตัวเนี้ยมาคราวหลังไม่ขีต้องปรับปรุงที่อยู่ใหมนะ่แล้วมันรู้ว่าทํามามากกวนี้นะ ต้องขยายไปนะเอาละเี๋ไปรุงแต่งให้โยมไม่ชี้หนักใจมากจะฟูงสั้นนั่นอันนี้ฉะนั้นประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ไหแต่ไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเรื่องที่เข้ามาแบบประดังประดิเข้ามาจนบางคนเบื่อหน่ายโกลเพียนอะไรก็มีฉะนั้นเราจะเอาอยัางไงถ้าทําความรู้สึกตัวให้ชัดเท่านั้นตัวทางเดียวถ้าไปอยู่กับมันนะถ้าไปเห็นโอ้ทำไมฟุูงเรื่องนั้น จบเรื่องนั้นยิ่งเอาจิตเข้าไปดูมันก็ยิ่งอึดอัดขัดเคืองยิ่งเกิดความเมื่อปวดหัวอึดอัดแน่นหน้าอกอะไรไปฉะนั้นตัวนี้มีทางเดียวคือจับคนรู้สึกชัดดูทีละเรื่องนะดูต้นเหตุมันเกิดได้ได้นะเพราะว่าตัวนี้ไปเป็นมันเป็นอาคารตุกาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้อาศัยอาณาจักน่ากระทบเลยนะทีนี้นะมันขึ้นมาเองเรื่องอดีตมาขึ้นมาอดีตอนาคตอะไรก็แล้วแต่ อนาคดมากเกิดเป็นเรื่องที่เราจะจะปรุงแต่งเองแต่อดีตมันจะขึ้นมาเป็นฟงสั้นลาคาญเพราะอดีตตัวนี้ฉะนั้นปฏิบัติไปแล้วก็จะเจอทุกคนทําไงก็เอาจับความรู้สึกให้ชัดนะดูมันให้ชัดเจนจับความรู้สึกให้ชัดปีขาฟุงสั้นก็อถ้ามันรู้สึกตัวชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะตัดเป็นละหลอกละหลอกตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเนี่ยพวกนั้ น, นจะห่างออกห่าออกได้นีถ้าเราต้องอาศัยตัวไหนต้องอาศัยความ ฉันถ้าความพอใจในการปฏิบัติแล้วก็ความเพียรเป็นเครื่องเผามันนะถ้าเราหลบฟุง้งซ่านนำขานก็เดินไปคุยกับนั้นคนนี้แล้วก็ขึ้นมาปฏิบัติใหม่ก็เจอตัวเดิมนั่นแหละมันไม่ผ่านนั่นสักทีนะถ้านิวรณ์แต่ละตัวมาถ้าเราไปหลบในไม่ได้ไปหาทางแก้ไขไม่ได้ถ้ามัน ไ, ไม่หนักจริงจริงนะมาแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นก้วงมัวหงาห้องนอนก็ดีต้องดูต้องสู้ต้องเอาผ่านมาให้้้้ไไดดอออออยยยย่่่าาาาปปหหหลลลัััับบตตเเมมมืนมนนนถกกก็็งีวแ หลวงพ่อมาเขาแค่จบพอดี <c oughs> ตัวสุดท้ายแล้วเนาะ <c oughs> ทีนี้อาตมาติดค้างไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะเรื่องของอาตมาพูดโอ้มันนึกได้แต่มันปฏิบัติใ ห, ใหม่แนละ้วหลวงพ่าเคยอันนี้อยู่เรื่องของเรื่องพระถังสัมจังเนี่นะใครเคยดูบ้างพระถังสัมปังอืมอาตมาไปอ่านแล้วก็ดูชอบดูเรื่องเนี้ อ่านทีนี้จบลงด้วยนิทานเานะาาราเนาะสักโอปมาห์พอสลุมสลือไม่เคลียร์เท่าไหร่ก็นะเรื่องโอปมาห์ต้องอาศัยประเดิบุรนพอท่านพูดแต่ละเรื่องนี้มันเคลียร์จริงในโอปมาห์แต่ละอย่างเห็นชัดเจนมากแต่ตามาเอาตามสติปัญญาแล้วกันพระถังซัมจั๋งเนี่ยที่จริงด้ตาตมาไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของเขาผูกไว้หรือเป็นพงศาวดารหรือเป็นเรื่องจริงไม่ไม่รู้อะนะพระถังซัมจั๋งเนี่ยคือเริ่มต้นก็จาก ไม่ต้องอากกำเนดพระสังฆมังคตนะอากําเนดแค่การเดินทางไปไปไหนจุดประสงค์พระสังฆมังคตนะไม่ได้ไปอินเดียนะก็คืออะไรอยู่อินเดียเออไปอัญเชิญไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนะก็ไปอินเดียนั่นแหละแต่ว่าไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจุดประสงค์พระังฆังนไม่ได้ไปทไมไม่ไปเชิญที่ประเทศไทยบ้างพระสังฆังคตแน่จะแปลกใจเหมือนกันทีนี้พระสังฆนี่มีมีใครติดตามไปบ้าง ห่งเกียสองตุ้ยไก่สามสามใครตุ้ยไก่แล้วก็ก็เจ๋งอ่าทีนี้เ่งเกียนี่คืออะไรลิงตัวเุ้ยไก่หรอก็เจ๋งหรอวัวหรอแต่แตมาเห็น ตอนที่มาดูแต่เล็กๆเนี่ยเป็นไก่นะเป็นเป็นไก่นะไม่ไม่ใช่วัวนะเป็นไก่ไม่จะเป็นวัวไม่แน่ใจนะเรามาเอาเอาไก่ดีกว่าเอาที่ความอสัญญาเก่าที่มันจําได้ชัดเจนในปีศาจไก่มันก็เปลี่ยนไปเยอะส่วนเนี่ยมันเลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะดีไม่เอากระถิงมาเป็นบริวารด้วยนะทีนี้พระาสังฆ장เนี่ยเดินทางไป เขาถามว่าทําไมพระสังคัมจังถึงไม่เหาะไปเลยทั้งที่ไอ้ลิงมันเหาะวันหนึ่งมันแป๊บเดียวกระพริบตาเดียวมันไปเอามาได้เลยข้ามอินเดียได้หลายรอบเหาะรอบโลกได้ไม่ว่ากี่สิบรอบนะแป๊บเดียวเนี่ยทําไมต้องเป็นเดินให้ลําบากเอาะใช่ไหมไอ้หนุ่มเคยเคยอ่านไหมเออทาไมต้องเดินให้ลําบาก เ, าเนี่ยนะทไมต้องไปแล้วก็มีอุปสรรคเยอะไหมทีนี้นะอุปสรรคเยอะทีนี้พระสังคัมจังเนี่ อวัะถังสำจังนี่รู้สึกว่าเขาเป็นยังไงสัตว์ต่างต่างชอบอยากจะกินพัดถังสำจังมากเขาทาาแล้วจะอยุยืนเขามันมีปริีชาตัวหนึ่งที่โกรธวัดถังสำจังเนี่ยนะะคือไม่พอใจพะสำจังอย่างมากคือจะเอาพระสำจังเป็นสามีให้ได้นะพระสำจังก็ไม่อยู่ด้วยก็เลยเกิดทะเลาะอะไรอาตมาก็จําต้นเหตุไม่ได้เอาเป็นว่า ใส่ไล่ก็แล้วกันเนะี่ยถ้าใครฆ่าพระสังฆังกินได้คนนั้นจะอายุยืนเป็นหมื่นปีฉะนั้นทุกคนมีต้องการอายุยืนคนนั้น่ะโอ้จะได้กินแล้วทุกคนก็คืออยากได้มนุษย์สมบัติหรืออยากได้อะไรตัวเองอยู่นานๆอยากอายุยืนไม่อยากจะตายโดยกินเนื้อพระสังฆังถ้าได้ยินข่าวว่าพระสังฆังอายุยืนมาเวกา น, นแต่ธรรมพัฒนหลายคนคงจะไม่รอดแล้วนะพ <c oughs> <c oughs> ระสังฆังตายก่อนแน่นอนนะเพราะว่า เขาแสดงหากันแล้วเกินที่อายุยืนเนลยนะทำไมจะยืนยืนมากไปทําไมเอามีจุดยืนดีกว่าอายุยืนหนแล้วกันทีนี้สิ่งที่ตามพระถังจังไปเนี่ยอาตมาก็ขอแก้เลยว่าพระถังจังที่กินก็คือตัวเราตัวเราตอนนี้กําลังกําลังปฏิบัติเพื่ออะไรเอ่ะปฏิบัติเพื่ออะไรอาพ้นทุกพ้นทุกก็คือ พระเตยปิดกก็หมายถึงสิ่งที่พ้นทุกข์ก็คือ น, นิพพานว่าแต่ยปิดกกเงเดียวกันก็คือพระธรรมสังกไปเอาไปถึงเอาความเป็นพระนิพพานนั่นแหละความเป็นพระลานนั่นฉะนั้นเราก็หาตัวเดียวกันนั่นแหละเพื่อพ้นทุกข์ก็คือบรมมาสุขใช่ไหมเน่ยหาความเป็นบรมมาสุกขก็คือพระนิพพานสิ่งที่เราหาอยู่นี่นะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังเดินทางไม่ใช่ไม่ใช่เดินทางกายนะแต่เดินทางใจเดินทางใจกําลังปฏิบัติ ยกมือภาวนาเนี่ยกตลังเดินทางใจอยู่เดินทางทางใจทีนี้สิ่งที่ติดตามพระสังังไปก็คืออะไรปีศาจหมูใช่ไหมไอไอไ อ, อลิงก่อนเอาลิงก่อนลิงคืออะไรลิงลิงสัญลักษณ์ของลิงคือมันไม่อยู่เฉยเฉยนะจิตคนนี้มันดิ้นรนกัดแกงเหมือนลิงอะ่ะ นะมันไม่อยู่เฉยมันจะไปตรงนั้นไปตรงนี้นะทําให้พระสังฆ장เดือดร้อนมากก็มนะีแต่ว่ามันฉลาดนะไอ้ลิงตัวเนี้ยมันฉลาดคือมันปราบมันสามารถปราบศัตรูได้นะแต่พระสังฆ장ไม่ชอบใจเพราะพระสังฆ장นี่เมตตาเยอะเหลือเกินนะนิวรณตัวไหนมาก็เอาก่อนนะดัะนั้นไอ้ตัวไอ้ลิงตัวเนี้ยก็คือใจของหลอดที่มันมันฝึกถ้าฝึกไม่ได้มันทำอะไรทํำคนเดือดร้อนพระสังฆ장ไหม ทำความเดือดร้อนให้แต่มันตัวเดียวกันมันช่วยภาษาคำจังไหมช่วยเพรานั้นภาษาคำจังทำยังไงจะเอาลิงอยู่ทำยังไงถ้ามันโซนมากจะทำยังไงเอาลิงอยู่บีบหัว <c oughs> โอโ้โหบีบหัวเลยเออเอาคืเอเข้าใจนะแต่พูดออกมาไม่ถูกใช่ไหมเออเขาเรียกว่ามี ธรรมะก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันอะไรอยู่ที่หัวของสำจั่งเนีเ่ยเป็นเป็นเป็นวงเป็นวงมงกุฎอะมงกุฎอะไรนะฮะสวมอยู่ตรงนั้นนะ่ะถ้าภาษาสคำจั่งล่มนเนี่ยมันจะลัดเข้ารัดเข้าไอ้ลิงมันดิ้นไปไม่เป็นเลยนะตายเลยนะ่ทรามารลิงแต่นะแต่ลิงด้วยมันตายไม่เป็ี่นวะน่ะนะตราบใดที่ภาษสคำจั่งไม่พ้าถังสำจั่งไม่ตายลิงก็ไม่ตายเช่นเดียวกันนะเพราะอะไรถ้ากายไม่ตายใจมันก็ยังไม่ตายก็ trainer, ここ อ, ยอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะทีนี้เผอิญว่า เขสั่งกันจังจะทำยังไงจะเอาลิงอยู่ก็คือไล่มนไล่มนก็คือยกมือสร้างสติให้มันชัดเจนนี่แหละเขาไล่าลามนนะลิงจริงจะอยู่ให้นะถ้าอย่างนั้นไม่ได้เราก็นึกถึงบ้านก็เอานําเรื่องบ้านมาฟุ้งซ่านนึกถึงคนนั้นคนนี้ก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้นมาฟุ้งซ่านเนะนี่ยต้องไล่มน์บ่อยๆก็แลนะ้วกันถ้าไม่ไล่มนแล้วก็เดือดร้อนเพราะมันแน่นอนนะแต่ทางเดียวกันมันก็ทําให้เป็นทำให้ลิงนั้นนะเกิดสติปัญญาเป็นจินตยานทําให้เราพ้นทุกได้เพราะมันเช่นเดียวกัน อ่ะโอเคเรื่องลิงผ่านไปติดตามเราไปอยู่นะลิงตอนนี้นะทีนี้ออันที่สองตัวสองคือถั่วไปไก่ใช่ไหมคืออะไรทีนี้นปีศาจหมูสัญลักษณ์ของหมูคืออะไรตัดกระตักามแล้วก็กินแล้วก็นอนปีศาจหมูนี่นะฉะนั้นเขาบอกว่าคนอีสานเขาบอกว่าสิ่งสัตว์ที่มีคนเลี้ยงมีอยู่สองสามอย่าง หนึ่งหมูนะหมูเนะี่ยมันให้กินแค่ไหนมันก็บอกเอาอี๋เอาอีอาอ๋อยู่นั่นนะ่ะนะถ้าใครเคยเลี้ยงหมูนะเอาอี๋นะใช่หรือเปล่า <c oughs> เอออี๋เอาอนะี๋ไม่รู้มันรู้จก อ, อิ่มเป็นนะเนีย่ยหมูแล้วอันที่สองคืออะไรไก่เวลาบันฟักไข่เวลาเราไปเวลาเราไปเอาไข่มันมานะเรามีสิทธิ์ในไข่มันใช่ไหม เพราะว่าเราเลี้ยงมันเนี่ยเราน่าจะมีสีทั้งสองสามฟองบ้างนะเนะมันก็จะด่าเราแล้ ว, ลวบักบักบักบักบักห้านะนะบักบักบักบักห้านะมันด่าเลยนะไม่ได้ยินแต่ด่ดาอีหานะมันยังไม่ได้ยินเท่าไหร่ไก่เนะีมันดาแลดีได้เป็ดนะเป็ดกาบมันได้ยินว่าไง ลาบลาบลาบลาบเดียวมันดไก่มันด่าคนลาบลาบลาบาบลาบลาบนะไก่เป็ดกาบนะมันไม่รู้ว่าตรงนี้มีหรือเปล่านะเป็ดเทศมานบอกเสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะปากจะปากจะปากนะเดี๋ยวถูกลาบด้วยกันอ่าอันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตัวเป็ไก่คือซืวเปไก่เนี่ยคือหนึ่งความตะการตะกรรมความการมาฉันทะความเห็นแก่กินนะแล้วก็เห็นแก่นอนไอตัวไอ เนี่ยไอตัวถีนิมิตะเนี่ยมันจะติดตามเราไปตลอดนะจะปฏิบัติแก่ก้าแค่ไหนก็ตามอย่าหลับตาให้มันถึงจะรู้เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยมันก็จะติดตามเราไปอยู่นะไม่ใช่ว่ามันทิ้งเราเนะ่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ไล่มนไม่ไหลแล้วก็มันแก่ก้าขกว่าเราแน่นอนนะเพราะว่าไอตัวเพร่ไก่มันจะเป็นตัวอิฉาเลยมันมันเหมือนกับหน้าไหวหลังหลอกนะอตัวนี้นะ เวลาไอ้ลิงขู่มันก็กลัวนะมาหลบพระสังําจังค์ะถูกไอ้ลิงอี่ดุนพี่มันรังแกเอานะหลบพระสังามังคแต่พอไอ้ลิงมันเผื่อเมื่อไหร่ก็ใส่ร้ายเจ้าลิงอยู่ยหมใ <c oughs> ส่ร้ายเจ้าลิงหาทางกันแกล้งแล้วก็เป็นเป็นยังไงทําร้ายพระสังําจังถูกปีศาจจับไปทั้งพระสังามังแล้ว ไ, ไอ้ไอ้หมูไ ป, ปถูกจับด้วยกันทุกครั้งเ <c oughs> พราะมันไปใส่ร้า ย, าย ไ, อไอ้ลิงนะ ฉะนันในความเ่วงเหงอเขานอนตัวเนี้ยมันจะติดตามเราไปตลอดแม้แต่ธรรมาปฏิบัติถึงขนาดนี้เวลานั่งจริงๆนะะถ้าไม่ไลม่มลนถ้าไม่ยกมือสั่งจังหวะนั่งหลับตาแพียเดียวอะไรแบบ น, นี้ไม่รู้ว่ามันเผลอหลับตั้งแต่เมื่อไหร่นะสับ ป, ประงกไปเลยนะบูบนะก็มันวูบเลยฉะนั้นเราต้องนั่งแล้วก็ไล่มลนบ่อยๆอย่าไปเปิดโอกาสแจมานัน่งหลับตาชิมลังซะหน่อยหนะึ่งไม่รู้ว่าตัวเองสับ ป, ประงกนะแต่มันไปแล้วนะ จะรู้อีกแต่ละทีเนี่ยน้ําลายยืดก็มีเนี่ยนั้นอย่าเปิดโอกาสแกมันนะไอ้ตัวไปกายมันติดตามเราไปตลอดนั่นแหละมปติดตามมาถังคำจังไปจนถึงไหนจนถึงรับพระเตยปิดกอกเนาะไอ้ตัวเนี้ยนะคือร่างกายเราต้องกินนะม่นต้องกินมันต้องเอ่อต้องอะไรอีกต้องนอนนะต้องนอนจนได้รับพระเตยปิดอกแล้วถึงจะปวดมันได้ถึงจะเอาชนะอุ ป, ปทานทั้งปวงได้ ตัวนี้มันยิ่งเจรูดได้นะไอ้ตัวเพื่อไก่แล้วตัวที่สองอัตมาก็อยากจะบอกว่าปีศาจไก่อุตจากกูกุดจากไปเพ่าไก่นะแปลว่ามันไก่มันจะมันจะเขี่ยไปข้างหน้าข้างหลังฮะใครบอกว่าหน้าเมื่อกี้นี่ยไก่อเมริกาเขียไป้างหน้ามั้เออ ไก่ที่ไหนมันเขีย่ยไปข้างหน้าขนาดนกมันจะเขีย่ยไข้างหลังเลยมันหากินมันจะฟุ้งข้างหลังนะเขี่ยเขีเขี ย, ขยหากินฟุง้งเลี้ยงลูกของมนันกุ๊กกุเล ย, เยว่ากุ๊กจักุ๊กจักเนกุกกุกกุ๊กกมันจะเลียงลูกมาหากินด้วยกันเวลามันได้มันจะเอาลูกมานกินฉะนั้นภาษ า, าราเราอีสานเราเนี่ยเวลาไอ้หนุ่มจะไปกีบสาวใช่ไหมต้องหาสเสน่์บ้านเราเรียกว่าอะไร เดูว่าไก่ตัวผู้ตัวไหนที่มันกิกไม้อย่างตัวเมียวิ่งบึ้มมาน่ะให้เปียวไม้ตอ น, นพกไปกีบสาวจะมีสเสน่ห์ว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าท่านพระครูปริยัสเคยได้ยินไหมคเนี้เพราะว่า <c oughs> สมัยเป็นหนุ่มท่านหล่อนะสาวติดตืมเลยไม่รู้ท่านใช้ไม้กิกไก่หรือเปล่านะหรือว่าใช้กับอวิสิทธิ์ไม้แย่แย่ไปนะเออ ไม้เยะเยะแก็แกล้มกันนะการเมืองไทยทุกวันนี้เอาไปฝากกันนะไม่รู้ได้มาจากไหนไม้เยะเยะนะมันน่าจะเอาไม้ไก่จิกมากกว่านะคือให้ไปสังเกตว่าอย่างนั้นนะคนเท่าคนแก่เขาบอกนะถ้าไก่ตัวผู้มันจิกไม้ก็ๆๆๆแล้วเนี่ยตัวเมียมันจะได้ยินทุกว่าเรียกมากินอาหารใช่ไห ม, มจะวิ่งบึ้มมาเลยนะที่ไหนได้มันหลอกมาเพื่อที่จะอ่าทํำลายร่างกายหรือหลอกมาเพื่อที่จะปูย้ยี่ปู้ยาเลยนะทีนี้ ปรากฏว่าเอาไม้นั้นนะว่าพกติดตัวไปคุยสาวไปลมสาวอะไรนี่น ะ, ะจะมีเสน่ห์ังนั้นหนุ่มลองดูนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมีไก่เลย <c oughs> <c oughs> นั่นก็เอาคาลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นตุ๊ดก็แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> ทุกวันมันเยอะนะรูปหล่อเป็นตุ๊ดเป็นเกย์กันหมดเลย <c oughs> ดาราไทยไม่ได <c oughs> โอ้อาตมาสองสามคนนะ พระเอกใน ด, ดวงใจแตมาตีใหญ่นะใครตีใหญ่เ oh. ออโอ้ยนะเตียงหักนะนะกลางคืนเป็นผัวเรากลางวันเป็นเมียเขาเนะี <c oughs> ่ยโอเคไม่พูดถึงเรื่อ ง, อ, งอื่นมากนะมันฟุงนะ้งโยมเริ่มฟุ้งแล้วเอาเป็นว่าอุจจาร ก, กุจจาตัวนี้คือไก่นะมันฟุ้งซ่า น, ม, น, น, านมันําคาญมันเนี่ยมันฟุ้งซ่านมันทําให้เราฟุง้งจิตใจของเราเรื่องอดีตขึ้นมาฟุง้งอนาคตขึ้นมาฟุง้งสวยมากเอาเรื่องอดีขอตขึ้นมาฟุง้งอนาคตออกมาแต่ง ถ้าเรื่องอนาคตมันไม่ค่อยฟุ้งหรอกมันเจตนาแต่งมากกว่ายโยมบางคนเห็นไม่ชี้นาบ้านไม่ชีปลูกผักเห็นโอ้ปลูกได้เนี่ยแล้วกลับไปบ้านไปทำที่ปลูกบ้างเราทำโกงการใหญ่ลยนะบางครั้งไปทำโดมเลยซ้าไปธรรมคิดว่าจะทำโดมที่เวการ์ทำโดมปรับอุณหภูมิปลูกผักนเออไม่รู้ว่าท่านพระครูท่านเห็นด้วยหรือเปล่าไม่ไ ปะบนหูมปูพังไงอันดมทีนี้เนี่ยไอฟงสั้นตน้องไปว่าไก่ปีศาจไก่ตัวนี้มันติดตามพระถังคังจังไปเหมือนกันนะมันจะคิดตลอดเวลาคนเราเนี่ยถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่ถ้ามีสติก็เป็นจินตญาณคิดอย่างมีสติแต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ไอไก่มันก็จะเล่นงาน ไ, ไก่ตัวนี้มันก็เป็นน้องเล็กนะมันก็อ่าเรีก ว, ว่าเขื่อนแตกเช่นเดียวกันนะใช้อะไรไม่ได้ก็ ฟุงคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วมันจึงจะรู้จักคิดนะถึงที่สุดยังไงแต่มาก็ไม่แน่ใจนะเนะี่ยเฉะนั้นในปีศาจสองตัวนั้นมันจะไปเจอปีศาจทีนี้ปีศาจแต่และตัวก็มีความหมายของมันนะนะปีศาจแมลงมุมแนะปลว่าอะไรนะเนี่ยแปลว่าตาข่ายของตาข่ายของนิวรันที่มันดักจับเราอยู่ปีศาจแมลงมุมใช่ไหมมันชักใหญ่เพื่ออะไรบางครั้งมันจับพระธรรมจังไปแขวนไว้เลยนะจับไอ้หมูไปแขวนไว้ ไอ้ลิงต้องมาช่วยนะไอ้ลิงต้องหาทางออกยังไงให้ได้นะก็ะคือความฟุ้งซ่านใงใจมันเกิดปีศาจไอ้ไมแมลงมุมตอนนี้ไม่ว่าตันหายางเหนียวใช่ไหมอะไรไปเจอไปติดปุ๊บเมื่อไหร่แล้วเป็นยังไงออกได้ไหมโอ้ยรู้สึกว่ามองดูก็สวยเหลือเกินได้ยินก็เพราะเหลือเกินนะสัมผัสก็โอ้ไม่อยากแกไปไหนเลยไม่อยากแกลุกไม่อยากจะออกจากบ้านเลย ไ, ไปทําไม นอนที่บ้านนุ่มจะตายอุ่นจะตายเนี่ยเขาเรียกว่าเจอปีศาจแมลงมุมแล้วลิงไปไหนลิงมันไปนู้นถูกพ่อสังคมจังไล่หนีไปแล้วนะ่ะไอหมูไอเหางาบงาบอย่างเนี้ยพามาติดใหญ่แมลงมุมเจอปีศาจแมลงมุมตายเลยอตัวนี้ไอตันหายางเหนียวตัวนี้นะฉะนั้นแต่ละตัวแต่ละตัวโยมไปอ่านดูแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูปีศาจแต่ละตัวทีนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะเลยมาห้านาทีแล้ว ทีนี้พระสังฆังจังไปไปเชิญพระตยไปดกเได้ไหมต้องข้ามอะไรก่อนข้ามแม่น้ำใหญ่นะข้ามทะเลใหญ่สุดท้ายด่านสุดท้ายเป็นแใช่ไหมข้ามทะเลใหญ่แล้วมีอะไรเป็นพานะมีอะไรเป็นพานะทำไมไม่นั่งหลังไอ้ลิงเหาะข้ามไปเลยไปถึงตรงนั้นแล้วทำไมต้องนั่งหลังเต่าใช่ไหม อ๋อไอ้ทาไมต้องนั่งหลังเต่าข้ามทะเลนะอาตมาก็ยังคิดไม่ออกต้องให้หลวงพ่อช่วยเฉลยช่วยนะนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทําไมพอไปถึงแล้วเนี่ยได้พระตไตรปิฎกกับคืนมาเนี่ยได้แบกเลยนะรอบแรกเนะแบกพระตไตรปิฎกกับคืนมาปลาเขาว่าแบบยังไม่เปิดอ่านนะพระตไตรปิฎกแบกมามาปรากฏวันมากลับมานั่งเต่าเหมือนเดิมพอนั่งเต่ามาถึงกลางนะ้ำเต่าไปยังไงตะบันสัดว์ไห เต่ามันจมลงไปปากิว่าจะถึงฝั่งแล้วเต่ามันพลิกแพลงยังไงไม่รู้นะตกหลังเต่าเปียกกันปอนทั้หมดเลยเนะี่ยมันขึ้นมาฝั่งทีงนี้ก็เอาพระไตรปิฎกไปตากปากิว่าเป็นยังไงตางกพระไตรปิฎกมีตัวอักษรตัวไหมปาคิาเป็นกระดาษเต่าทั้งหมดสิ่งที่พระถังค้ำจั๋งเดินทางไปเอานะ่ะไม่มีอะไรเลยความว่างเปล่าใช่นไหมเนี่ยมันเป็นโอมาที่ฐานทำคือกลับไปร อ, อบสองพยุไลถึงบอกว่ามันคืออะไร คือกลับไปเอาจริงเราพยายามตามหาความไม่มีนั่นแหละจากความมีเราพยายามจะออกจากความมีฉะนัะ้นธรรมะบอกเบื้องต้น ว, ว่าตอนนี้เรากําลังเบื้องแรกเราถูกขังด้วยอายจตัตนะตอนนี้นะอายจตัตนาถืบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันขังเราอยู่นะสิ่งภายนอกหลายมันขังให้แต่ทําให้ใจรู้เดินลนไปตามร้อนไปตามโลกที น, นี้เรากลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนกับมาขังตัวเองที่จริงเราหาทางออกให้ความเป็นอิสระแก่ใจตัวเองหาความเป็นไทให้่ใจตัวเองนะ ความเป็นไท้เข้าใจตัวเองคือให้ใจอิสระจากตาหูจุบลิ้นกายใจไม่ไปตามมันถ้าใครก็ตามที่ออกจากมันได้เนี่ยเป็นสุขเป็นบรมสุขเลยไม่เป็นธาตของตาหูจุบลิ้นกายใจไม่ต้องไปเปลียงน้ําหอมซื้อน้ําหอมขวดละพันสองพันขวดละหมื่นมามาดมมาให้คนอื่นเขาดมเพราะมันเปลียงเพราะจมูกไม่ต้องไปซื้อคาดเซ็คเพลงที่มันโอโ้โหต้องเป็นบ้าเป็นบอ เ, เข้าไปเต้นแยกๆอะไรไม่เคลนแยกสันมันตายแล้วลรือ่า กับนักร้องที่มันแต่ละที่เนีโอ้ยเนี่ยไม่ต้องไปริ่นรนร้อนเ่นนยเขาเพราะหูเพราะตาอยากเห็นของสวยงามฉะนั้นเรากําลังหาทางออกจากมันอยู่นหนุ่นมนะเนี่ยฉะนั้นวันนี้ไม่กลับใช่ไหมเออนึกว่ากำลังจะอินไปได้วยทีนี้เนี่ยเรากําลังหาทางออกจากมันอยู่เตอนนั้นทางไหนทางออก สติคือกุญแจสติไม่ใช่ทางออกนะอย่าบอกว่าสติพ้นทุกได้เพราะสติไม่มีนะสติตัวเนี้ยพ้นทุกได้เวพาสติสติแข็งจนเป็นสัพพัญญะอะไรเข้ามาตัดปึ้งปึงปึ ง, ง, งความคิดเกิดขึ้นดับปึ๊บป๊นี่มันไม่ได้พ้นทุกเพราะสติเลยอเพราะปัญญาคนจะด่วงทุกได้เพราะปัญญาหนึ่งเข้าใจรูปนามเข้าใจสมมติเข้าใจสิ่งเหล่านั้นจนเข้าใจอนิจจังขขทุกขังนาตาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเราเกิดมาก็ไม่ใช่ตัวตัวเราเราจะพ้นทุกเพราะตัวนี้ไม่ใช่พ้นท เอาไปมามันเป็นตัวนั้นมันเสื่อมได้เดี๋ยวก็กลับไปที่บ้านมันจะตัดได้ยังไงน่ะปัญหาเราถึงภาระภรรยาไปพูดมีภาระหนักผู้ต้องแบกถืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั้นต้องรู้จกักวันนี้จำยมเจงไหมโอ้ยเข้าใจธรรมะวันแร ก, กจเจอข้อสอบหนักเลยมาถูกยึดบ้านโอ้ยปกติจะช็อคเข้าโรงพยาบาลตายแล้วตายอีกอยู่ mm hmm. แต่ว่าคนทั้งหลายที่จะมาปลอบแ ก, ก้กายเป็นกลับให้แกมาปลอบ mm hmm. โอ้ยพี่สาวหรือใครได้ยินข่าวขับรถมาจากไกล นะร้องไห้กลัวน้องจะเป็นลมเป็นแรงตายพอมาถึงมาร้องไห้น้องต้องมาปอบอีกอไม่เป็นไรหรอกพี่เอ้ทุกอย่างมันไม่ใช่ของฉันนะทุกสิ่งอย่างนึกว่าเรามาอาศัยมันเป็นสมบัติผัดกันชมมันเป็นของเราแล้วก็เป็นของเขาอยู่แค่นั้นแม้แต่ร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยอะไรจะเป็นของเราไปได้นั้นมันต้องพ้นทุกข์ปัญญา ต, ตัวเนี้ยนะเพราะะฉนั้นยิ่งพูดไปไปยิงยาวไปเลยนะามาคงจะ <c oughs> เป็นคนไม่ค่อยพูดนะถ้าอยู่คนเดียวจะไม่พูดเลยนะ อย่างไงก็ขออนุโมทนาเนาะกับโยมที่ตั้งใจปฏิบัติกันอนยะ่างจริงจังเรามาก็มาด้วยปัญญามาด้วยศรัทธาอย่าให้ศรัทธาเตอนนั้นเป็น อ, อย่าให้ถีนิมิชะหรือว่านิานิวรนนั้งห่านะเป็นตัวมาบันญัตความเพียรของเราได้ให้มีชันทะแล้วก็ความเพียรเพ่งเพราะว่าเรามีกัญยาณมิตรที่ดีมีพระเดชพุทธองพ่อมีอะไรก็ถามท่านมีทางออกให้เสมอ ฉะนั้นเรามาสร้างคญแจหาคนแจให้เจอเพื่อที่จะไขไปสู่ประตูแห่งความสว่างด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ